ต่างมำกันต่นะเอเน้อแลคำสอนเราพทธเจ้ามาแสดงให้ฟังเจงใดที่พูดที่เจ้าบอกว่าผิดก็เป็นผิดเ่งใดที่บอกว่าถูกก็เป็นถูกเราได้สัมผัส ด, ดูแล้วอันความผิดความถูก แต่ว่ายังแต่ยังไม่ปฏิบัติอาจจะรู้บ้างแล้วเรื่องความทุกข์ไม่ดีรู้แล้วว่าไม่ถูกความโกรธไม่ดีรู้แล้วว่าไม่ถูกโกรยังเหลือแต่ทำไม่ได้รู้ว่าดิไม่ดีแต่ยังทำไม่ได้เพราะไม่ได้หงัด เ พ, พราะมาได้ฝึกหัดการฝึกหัดมันก็ทำไม่เป็นถ้าไม่ฝึกหัดมันก็ทำไม่เป็นจึงจำเป็นต้องฝึกหัดสิ่งที่เหมือนเกิดกับเรานี่ถ้าเหมือนผิดไม่หัดแล้วก็ผิดเรื่อยไปถ้าผิดแล้วหัดให้มันไม่ผิดแล้วก็ถูก คื่อยไปอาจจะเป็นขั้นสุดท้ายได้เรื่อวิธีหัดเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิเนดเ ป, ปเป็นถูกก็คือปฏิบัติทำตามพระสูตรที่พระเจ้าได้ทำมาที่ปฏิบัติมาแล้ว นได้เป็นพระพุทธเจ้าทำอย่างไรในวันเพื่อนเดืนหกนั้นนั่งต้นโพไปคู่เขียนเข้ารู้สึกอยากเขดอกรู้สึกแล้วมกรเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ความรู้สึกมันไดชิดไปทุกไปเป็นสุขเป็นทุกข์กลับมาในความรู้สึกตัว ้เปลี่ยนความผิดความถูกความสุขความทุกข์เปลี่ยความรู้สึกตัวความรู้ึกตัวเป็นเชนที่วัดตอบได้ทุกคนเรื่องความหลงรู้สึกตัวความทุกก็รู้สึกตัวความขอดก็รู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นมาขณะที่ฝึกหัดนั้น ให้เปลี่ยนมาเป็นความรูป้จักตัวจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมามาในคราวเดียวกันสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่หลงก็ามาด้วยกับความไม่หลงสิ่งที่ทุกข์ก็มาพร้อม ก, กันกับความไม่ทุกข์อดดูหน้าดูหลัง จะดวลรบอบจะดวนปฏิเสธกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ให้มีสติเป็นสิ่งที่ตนรับโต้อตอบทักท้วงดูหรือว่ามาสร้างสติเป็นเจ้าถิดนเป็นเจ้าของเป็นเจ้าถิ่เจ้าของเป็นเจ้าของก า, ายเป็นเจ้าของใจก็ว่าได้การมามีสติ เป็นเจ้าของายเป็นเจ้าของใจจะได้ดูแลกายใจให้ปลอดภัยถ้ามีสติเป็นเจ้าของา ก, าย ใ, ใ า, า, องกายใจก็เป็นธรรมเกิดเป็นธรรมขึ้นมาถ้ามีสติเป็นเจ้าของของกายของใจก็เกิดเป็นความเป็นธรรมและมีอำนาจหมายงเราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ เราก็มีอำนาจที่แกงกับเหตที่เกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องหรือวารักษาให้เกิดความเป็นธรรมก็มีอยู่ด้วยกันในสังคมได้ถ้าเราแสดงเป็นความเป็นเจ้าของนี่ กายใจของเรานี่มาแสดงเป็นเจ้าของด้วยสติสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะเป็นเจ้าของเราก็จะได้หลักการปฏิบัติต่อกายต่อใจที่ถูกตก้องแล้วก็ใช้ดูแลกายใจอย่างไม่ปล่อยทิ้ง ดูแลกายใจคุ้มปลอดภยัยเอ่ยเวลารู้สึกตัวอาจจะเกิดความหลงขึ้นมาก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้วิธีปฏิบัติอะไรมาก็เปลี่ยนเป็นรู้ไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่จะก็อแสดงอกประทางเหตุผลเหตุผลไม่ใช่หลักปฏิบัติไม่ใช่ศัจธรรม ให้มีความรู้จักตัวเนี่ยกับรู้จักตัวาหาคำตอบด้วยความคิดยรเวมันสุขมันทุกข์ก็กรู้จักตัวมันต้องเห็นนี่ใชมัมันต้องมีมันต้องเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามีสติเกิดทางกายก็เห็นเกิดทางใจก็เห็นดับเหยืความผิดเป็นความถูก เรื่อยไปแต่มันหลงลู่ช้าเรื่อยไปมันทุกข์ก็ลู่มันโกรธก็ลู่มันผิดก็ลู่มันสุขก็ลู่มันสงบก็ลู่มันฟุ้งซ่านก็ลู่มันง่วงเหงาหอนอนก็ลู่มันลังเลสงสัยก็ลู่อะไรที่มันเกิดขึ้นมามากมายได้เปลี่ยนเป็นลู่เป็นลู่ไปจึงได้ว่าปฏิบัติมันก็สนุกดีสนุกโดยช่วยกายช่วยใจ บางทีเราไม่เคยช่วยกายช่วยใจปล่อยให้บันหมกขุนคุณคิดเป็นความทุกพระความคิดเป็นความสุขเพระความคิดเป็นความโกรธพระความคิดเป็นความโลภความหลงพระความคิดจิดกันมาจินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับปล่อยเัินปลยปล่อยให้ใจมันไปอยู่ในอุ้งมือของมารของอะไรต่างๆปล่อยให้กายไปทาชั่ว เล่าติบุหรีไม่รู้จักช่วยตัวเองติดเสงเสร็ติดทั้งหลายจนเป็นเน็ตสายนึกว่าตัวเราชอบด้านตัวเราไม่ชอบวันนี้เอาความผิดความถูกเป็นตัวเป็นตนตทานที่ไม่มีใช่ตัวใช่ตนไหนว่าความสุขไหนว่าความทุกข์มันไม่มีแต่เราไปยึดว่าเราซะเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเรา เราสมมต er ิเขาเขาก็สมมติเราเปรียบเทียบกันตามสมมติปัญญัติเพราะโลกด้วยเหมือนเต็มไปด้วยสมมุติปัญญัติในวัตถุอาการต่างๆเกิต่างๆก็สมมุติขึ้นมาว่าชอบว่าไม่ชอบได้เห็นได้ได้ยินทางหูก็เกิดขึ้นว่าชอบว่าไม่ชอบที่เป็นวัตถุแห่งกรรมมงคลคือตาอหูจมูกดิ้นาจใจเพื่อให้เกิด ความหลงได้ถ้าไม um um ah, да ่มีสติเป ah, ็นผู้ดูเลยไม่ีสติเช่มันก็เราได้ถูกทั้งหมดมันจะรู้ทั้งหมดเชื่องควาสุขก็สักว่าสุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความทุกข์ก็สักว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความคีดก็สักว่าความคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา กามีสติเข้าไปเจียวข้องก็กลายเป็นความรู้จากตั ว, แบบวายมันไม่มีอะไรย้นน้าหนเลื่อยไปความหลงอาจจะเป็นข้างสุดท้ายความทุกข์ก็จะเป็นข้างสุดท้ายความโกรธก็จะเป็นข้างสุดท้ายได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็มีเรื่อยไปโกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายผมเกิดก็เป็นทุกข์ควงมเสียค็เปทุกข์ควาตายกวเปทุกข์ ภ้าเกิดของเราของชอบใส่ก็เป็นทุกข์ปราสนาสิ่งใดไร่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มากมายทุกข์จาาวัตุกก็มีในกายนี้ทุกข์จากการปรุงแต่งก็มีในจิตใจอาจจะเบียบก็จะว่ากเป็นรูปทุกข์นามทุกข์บรรใช่ความทุกข์ เราจึงเป็นภาระที mind, ่เราจะต้องไม่ประมาทตนอนตลายเช่นความหลงเป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าเราหลงก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้วเราโกรธก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตพอใจก็เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่พอใจก็เป็นสไตล์ต่อชีวิตมันขวงไว้หวงตัวมากตัวผน ต้องให้มีความรู้สึกตัวและเกี่ยวขลองแล้วก็สนุกดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีที่มาเกิดกับการกับจใจใ้ด้วยความชอบทำขึ้นมาจะบวงหนึ่งอาจจะได้ความรู้มากรู้โดยเฉพาะรูปแบบกรรมฐานช่วยได้มาก จะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายก็ตามถ้ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งจุงบสีจังหวะจังหวะและสิบจังหวะและวินาทีใส่ใจดีๆอย่าเคลื่อนมือฟรีๆให้มีความรู้จึกตัวเจตนาเจตนากับเข้าไปไปกับความรู้จึกตัวจริงๆสมผัสจริงๆ ร, งรงอกกายเป็น นิมิตที่อาศัยเป็นที่ผูกสติสีจ่จังหวะวินาทีละลู่วินาทีละลู่ตัวใจ ด, ดีอาจจะไม่นานให้แยบคาย ด, ดีเห็นความหลงด้วยความแยบคายอย่าให้หลงเป็นของดื้อด้านหลงที่ใดก็ลู่ให้มันมีรสชาติดีๆระหว่างความลู่ความหลงสัมผัส ด, ดู เมื่ราสัมผัส ด, ดูมันจะได้คําตอบใม่ต้องมีคําถามใครเขเกิดการศรัทธาก็ตื่นลือโลนศรัทธาเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนั้นหลงในรู้เนี่ยศรัทธาตัวความ ร, รู้ปฏิบัติตามธรรมคือปฏิบัติตามความรู้จากตัวถ้ามันหลงเป็นหลงไม่ปฏิบัติตามธรรมมาได้สัมผัส เป็นคนื้อด้านต่อความหลงเฉยอยู่ได้ <c oughs> แต่มีความหลงกับปัยกายกุศลอย่างอื่นก็เกิดขึ้นอกุศลอย่างอื่นก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นอยู่แล้วก็รู้อยู่ลากเงาของอ ก, กุศลคือความหลงความโกรธความโลภถ้ามีความหลงความโกรธ ค, ความโลภ กุศลอื่นที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตามมาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นพระเจ้าก็บอกจากนี้จริงๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อไม่มีปานปฏิบัติก็ไ ม, ม่ประโยชน์รากเ้าของกุศลคืออโรพระอโทษะาโมหะถ้าหนึ่งสองสามนี่มีอยู่แล้ว อุ้ทนเือนเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นมันแค่นี่แยก่กันแค่นี้กรรมฐ า, านอย่าได้รู้เห็นเรื่องนี้จรงิงๆเจอหน้าเจอตาเป็นอันแรกสติก็ตรง ก, กันกับความหลงก็ปฏิบททัติธรรมวัดมีงานทำทันตรีหลงเป็นอุศทน ้ามีสติบก็ละกุศลได้มีสติปก็เกิดกุศลขึ้นมาหนาความชั่วทำความดีดกิจก็บริสุทธิ์ในข่าวเดียวกันมาเป็นควงได้ง่ายๆตามดีๆอาจจะเป็นอุคติตัมยูบุคคลบัวพ้นนะ้งได้ มีหลายลูกหลายองค์พะะระอรหันเกิดขึ้นตนลัตตนยู่บุคคลบัวพนน้ำอย่าเป็นบัวใต้น้ำอย่าเป็นบัวใต้ดินหลงเป็นหลงเป็นบัวใต้ดินหลงที่ได้คือหลงไปทุกข์ที่ได้คือทุกข์ไปโกรธที่ได้คือโกรธไปก็บัวใต้ดิน หลงถือได้เป็นรูหนึ่งข้างก็รูหนึ่งข้างหลงสองข้างก็รูสองข้างหลงร้อยข้างก็นหนอนก็รูร้อยข้างผันหนอนไม่ว่ารูเท่ารูทันมันก็ไป็จริงดอกความหลงความรูเจือตัวมันจริงเป็นธรรมต่อชีวิตเราเมื่อไม่เกิดในความเป็นธรรมก็เกิดอลไรก็งามขึ้นมา การเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาธรรมก็จะรักษาธรรมย่อมรักษาผู้พิถนธรรมธรรมย่อมรักษาผู้บุพเพธรรมให้ตกเป็นที่ชั่วธรรมย่อมรักษาผู้พิถมอยู่เป็นนิดแต่ถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมรักษาเดี๋ยวดีเราไม่ทําในชีวิตเราหรือเปล่าถ้าเราไม่หัด ขอใครไม่ได้แบ่งปันกันไม่ได้ไไดต้องทำเองปฏิบัติได้ให้ผลได้เวามาหลงลูกได้ทาได้เวลามนทุกข์ลูกทำไ ด, ด, ททำได้ทุกคนให้ทำอย่างนี้ที่ว่าปฏิบัติทำมาทำให้ติดต่อกันลงดู มีอาที่อย่างนี้ลองดูมีพลร ะ, ระอย่างนี้ลองดูพิสูรุกันดูในชีวิตเราเนี่มันมีอะไรถ้าเราจัดเกณฑ์เรื่องนี้ทำให้ความแยบคายสม่มเสมอก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพ้นภาวะเก่าได้ที่ว่าสูวิปัสสนาญาณได้ต้องพ้นภาวะเดิมๆกาจจกฆ่าเชิกได้าากายจก ความโลภความโกรธความหลงได้ล้จากความทุกข์ได้ตามสภาพปฏิบัติของผู้ปฏิบัติถ้าเราทำดีๆนะตั้งใจ ด, ดีๆถ้ามีอะไรก็ไม่ใช่เปี่ยวเดียวดายมีมิตรมีเพื่อนมีสิ่งแวดลอ้อมถ้าปฏิบัติอย่างนี้ มันก็ช่วยตนเองได้แล้พวกเราก็มีกันระยะนานมิตรที่จะคอยพูดคอยจาคอยบอกคอยสอนคอยตกแต่งเสริมสร้างเสริมช่วยเสริมช่วยเป็นกำลังส่วนหนึง่งสิ่งที่ท่านหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกสิ่งที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธมีในโลกได้แน่นอน มันล่าสมัยามากแนตะ่คนหลงคนโกรธคนทุกข์มันเป็นการล่าสมัยเดี๋ยวนี้ก็พัฒนากันกาแเราหน้าอายมันจึงปฏิบัติธรรมถว่าการทันสมัยที่สุดเพราะชีวิตเรามันต้องมีความมีการเกิดเจเ็เจ็บตายแน่นอนที่สุด ปวงเจือเท่านำเข้ามาย่งยืนจอมเราทิ่ยงในถึงทั้งปวงไปถ้าทําดีก็ดีทําชั่วก็ชัว่วเราใช่กายใช่ใจยอย่างไรชีวิตเราที่เกิดมานี่ระหว่างความหลงกับความรู้อันไหนมันมากกว่ากาันเป็นทํามต่อใจเองไหมทุกประความคิดมีไหมนอนไม่หลับมีไหมพวกความคิดมีไหมยังประมาณอยู่ ภาษาความคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์แค่นี้มันก็ไม่สมชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไอ้ทุกข์ความคิดคิดอย่างนี้ก็ทำตามความคิดให้ความคิดบังคับกับใส่เป็นขี้ขา้าเป็นทาสของความคิดรักใช้เขาตอนทั้นเนี่ยมีอะไรความคิดโกรก็โกรกไตามความคิดบาที่ หลงม า, มากๆกว่าห้าตัวตายได้เพราะความคิดไม่รู้จบตัวเองมันคืออะไรจึงมาเห็นเมืองต้นเห็นกายจากว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวโลกเขาที่มันแสดงอยู่ได้มาเคลื่อนไหวนี่บันทีก็เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นอาการที่เกิดกับกายมากมาย มาต้อเรียกว่าสุขมาต้อเรียกว่าทุกข์จะเอาความปวดมาเป็นตัวเป็นตนเห็นเหมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวดพ่นจ่อความปวดเห็นเหมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ่นจ่อความทุกข์เห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวพ่นจ่อความหิวจะเอาความหิว่าเป็นตัวเป็นตน ที่เอาความม่วงมาเป็นตัวตนคล้อยตามหลับตาอ่อนเอปิดเลยทีเดียวถีนามิท่าถ้ามีถีนามิท่า ก, ากุกอกุศลตัวเองก็ยังมีที่เหลือตัวเองก็ยังมีต้องตื่นใช่ปุกบต้องตื่นตื่นได้อ่อนต้องไหนเสริมสร้างเข้าไปอ่า ม่วงทีใดก็ครอบใจโคอยตาหลับตาอ่อนไปเลยนี้ยก็จนตายไม่ได้หัดตัวอเองแค่นี้ก็อ่อนแล้วยอมแล้วตื่นขึ้นมาขณะที่มันหลับลูกขึ้นมาขณะที่มันประบาดไม่ประหลัดในเมื่อพื่นประหลัดตื่นอูนี้นเมื่อผื่นหลับ ยอมละคนง่ไปไกลเหมือนมามีผีเท่าดีละมาที่ไม่มีผีเท่าต่างคนค น, ะ น, คนละยศคนอื่นประมาทเราไม่มาทคนอื่นหลงเราไม่หลงเห็นเห็นกันอยู่บางทีไปบินทบาดเพื่อนหลงด้วยความพูดการแสดง้าเราก็รู้จากตัวว่าเพื่อนเราหลงล้วเชื่อนนคนก็หลงหรือเพื่อนเอ้ย ไม่ได้เตือนเพื่อนเอามาเป็นบทเรียนเราเห็นเพื่อนดีเรามาเป็นบทเรียนสอนเราเห็นเพื่อนผิดเรามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราแล้วก็เก็บตกเก็บตกสะสมเวลามานั่งสร้างจมัเฉพาะตัวส่วนตัวแล้วก็งอกงามได้ไหวนอกจากรูปแบบก็ได้สะสมเป็น คะแนนสะสมเก็บเอาตรงไหนมันผิดมันถูกตรงไหนมันอลไรเกิดจากตัวเราแจ่เกิดคนอื่นเกิดจากสังเวชลม้ม <c oughs> สะสมคะแนนเพื่อจะมาปฏิบัติฉันเท่าเฉลี่อวุ้นวายวากะติห ล, ลังสร้างสังวามันไม่เก็มีชีวิตชีวา มันพอใจมันได้ทงความรายเป็นความดีที่เกิดกับเราได้ส่นตัวเราโดยเฉพาะพวาเราเนีก็ให้โอกาสกันเต็ที่ให้เป็นชีวิตรอมกันเต็มที่น่าจะช่วยโอกาสประเทศไทยวัดแบบประเทศไทยสอนศาสนาแบบประเทศไทยผ้าโสมแบบประเทศไทยเพื่อให้เป็น การนิยมมิตรเกิดขึ้นในความสะดวกย่อโจมก็ย่อโจมคนไทยให้ความาถาดมมันก็ร่าจะช่วยโอกาสอยู่ที่ไหนมันไม่เหมือนเมืองไทยในเป็นพระสงฆ์วัดในเมืองนอกบินทบาตไปได้ไม่เหมือนเมืองไทย เราเบีบ่ยทาก็ถูกจับมีคนไทยเวลาไปเบีนตบาทาเรานั่งโคกเข่าปนมมือทั่วมหม้ใส่เข้าลงในบาทมันเจ็บใจมีคนกราบคนว่ามาสนับสนุนเราก็ามีคนดูคนด่าก็สนับสนุนเราจะได้พัฒนาเรามีคนกราบคนว่าจะได้ไม่ประมาท จะได้หลอกลวงชาวบ้านเขาจะได้นี้ฉินไม่รำในลลรับเป็นธบาต้าตามปะเพนีก็ว่ายะถาปัจจยังปะวัตตาบาลังทาตวัตตเบเวตยิดถึงว่าคำข้าวเป็นจักววาธาพูดรับก้อนข้าวเป็นจักวธา ต, ตามธรรมชาติถ้าเป็นไปตามเหตุตามปัจจา ย, ยูดังนิดนะเจอ อะไรมองถึงธรรมชาติต่อธรรมชาติหายตัวไม่ใช่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเวลารับอินเทบาตตาลรวดูแต่ในบาตด้วยความเคารพในความอ่อนน้อมถ่อมตน ม, ม, มิใจอ่อนน้อมจะทำดีตอบแทนได้ก่อนข้าวมาเป็นเลือดเป็นเนื้อมาเป็นกำลังมาเป็นชีพิต ได้ทำความดีความดีที่เกิดจากเรามาบอกความเทิดความเริงอแกผู้คนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนไปบอกให้เป็นทางรัฐไปพูดในฟังไปทำให้ดูไปอยู่ให้เห็นก็เกิดผลเกกุศลเป็นมักเป็นผลคนที่หลงก็กลายเป็นคนไม่หลงคนที่มีทุกข์กลายเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ เพราะมันเห็นเหมือนกันหมดันเดียวกันหมดความหลงก็เหมือนกันหมดความโกรธก็เหมือนกันหมดความทุกข์ก็เหมือนกันหมดเราคนหนึ่งไม่หลงเราก็เป็นประโยทบตุกคนอื่นคนหนึ่งไม่โกรธก็เป็นประโยทบทางดีต่อคู่อื่นเพิ่งกาอาศัยกันได้แต่ถ้าเรานี่นี่ยจะวุศิลเต็มไปหมดเลย อะไรก็ความโลองหน้าเป็นจริตโัวสะจริตเอาความโกรธออกหน้าโมหจริตเอาความโล่งตามองนย่ดีไงไม่ดีสาคัญมันหมายโัจริความโกรธออกหน้าเป็นจริตไปกูกูมึงมึงไม่ได้เป็น หอมอ่อนโยนเหมือนเพื่อนเกิดเจอกตายด้วยกันมานะปฏิบัติในชีวิตที่ผูพรมชีวิตผูพรมพิจิตได้ประกอบด้วยเมตตาทอมสึงใดประกอบด้วยเมตตาผู้สึงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรหลังของเพื่อนมนุษย์ของทุกสรรพสิ่งเป็นชีวิตที่ผูพรมล่อเรีย่ยว ถ้าเราไม่หัดนะเราก็พึ่งเราไปไนะ่ได้ใจก็พิ่งใจไม่ได้ได้เราจะพึ่งกันได้อย่างไงหัวเหมียวก็พึ่งกันมาได้พ่อแม่กับลูกก็พึ่งกันไม่ได้พี่น้องก็พึ่งกันมาได้บางคนถึงเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันกูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไม่ยอมตือดรอดกันเต็มบ้านเต็มเมือง ความหลงวางให้เกิดอันตรายมากมายไม่น่าจะวางทิ้งไปประวัติการเรียนใจให้บักระตือหรือล้นมืาเจ็บเอาความดีรู้จักตัวนี่ก็ทํำได้ยกมือขึ้นก็บลูกยกมือขึ้นก็บลูกถ้ามีความรู้มันก็ไม่มีความหลงไปในตัวแล้วเพื่อนมือลูกกัลูกเจ็บเอาเจ็บเอาด้วยความใส่ใจมีมือนก็มีค่า มีค่ามากๆโอ้ชีวิตเราไม่เคยมาท่าความรู้จักตัว่าเคยไม่เคยมาเจ็บความรู้จักตัวมาเจ็บต่อเนื่องกันรู้ให้ภาครู้มากรู้มาหาลูขกันมาความหลงก็จะน้อยลงค่อยลงเหมือนกระแสงสว่างมากขึ้นแสงหนีองวก็สว่างแสงดวงจันทร์ก็สว่างแสงอาทิตย์ก็สว่างมันก็มันก็ทได้ วัตถิปัตตธรมมันทันใจศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ จ, จริงๆอะไรเกิดขึ้นมาเป็นลูกได้ทั้งหมดวัตถิความรู้วยตัวน่ยมันเป็นเอ็ีตัวใหญ่ใหญ่กว่าตาใหญ่กว่าหูใหญ่กว่าจมูกเล่นกายใจตาตามปนตัวใหญ่มันก็ดึงไปทั่วหูเป็นใหญ่กว่าดึงไปทั่วจมูกเป็นใหญ่กว่าดึงไปทั่วไป ใจเป็นใหญ่ก็ดึงว่าสอกสอกกสอกต่อสติเป็นใหญ่ก็ค่อยสงบลงอินทร์สตัวเองสงบลงมาสติเป็นใหญ่ก็ของศีลของธรรมตาก็ถูกให้ตาใช้หูใช้จมูกดึงกายใจสติเป็นเจ้าของใช้ตาจมูกเป็นเจ้าของใช้หูฟังหูอะไรฟังอะไรใด้ประโยชน์ เขาบอกคิดบอกถูกออลน์ฉลาดได้เห็นตาตาก็ฉลาดในแต่ความฉลาดในแต่ความประโยชน์บางทีถ้าเราไม่หัดนตาได้เห็นรูปก็พอใจไม่พอใจสมมติปัญญัติเกิดขึ้นเมื่อสมมติบัญญัติเกิดขึ้นก็อุปทานเกิดขึ้นมาอุปทานเกิดขึ้นมาก็เป็นพบชาติไออุปทานที่เป็น <c oughs> เป็นสมมติบัญญัติเนี่ย มีภพมีชาติเหมืกันเป็นเปรตก็มีเป็นสุรกายก็มีชาตลกเปนนิรชานก็มีภพภูมิของภพของชาติที่เกิดจากการสมมติบัญญัติเต็มไปหมดเลยสมมติบัญญัติเต็มไปโลกเลยไม่ใช่ปร ม, มัตาจักรว่าใช่ความจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธเปนจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เป็นจริงมันไม่อยู่ ปรมัดความจริงไม่อยู่แต่โลกสมมุติสัตว์โลกก็หลงไปตางสมมุติปัญญะถูกข้อมงําั้งหมดเลยเอาวัตถุมาเป็นสมมุติปัญญะว่าชอบเอานาอนมาทำคิดขึ้นมาทั้งท้านเป็นรูปก็สมมุติขึ้นมาบัญญัติเอาผิดเอาถูกแต่จริงมันไม่ใช่ปรามัดสัจจะมันเป็นไม่เป็นอะไง ถ้ารู้จับปรมาสจารย์เหลือศูนย์ความหลงเหลือศูนย์ความโกรธเหลือศูนย์ความทุกข์เหลือศูนย์หัวใจไม่พอใจเหลือศูนย์ศูนย์มันเป็นมาสถานของคือตั้งจากได้ศูนย์มาสถานเหมือนมือหนึ่งบันทันรวมได้ศูนย์ไม่ใช่ฟูฟูไม่ใช่แกรบแกรบนินทา แฝบลงสนับสรินฟูขึ้นเน้นทาแฝบลงฟูขึ้นแฟบล ง, ลงชีวิตบวกลบบวกลบบวกลบอาลมเกิดกับใจเรามีอย่างนี้มีบวกคือพอใจมีลบไม่พอใจมนุษย์คนทั้งหลายอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยถ้าเราฝึกมันจะเป็นมาสถฐานไม่หวั่นไหวโูเอศิลาทางเต็มมาจะเทือนพหลมฉันใด ผู้ฝึกตนดีแล้วไม่มนไหวเพราะเนินทาฉันรสน์ฉันนั่นก็เจาะไปอยู่เห็นมันเจีไม่เป็นผู้เจอเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเป็นมันตายไม่เป็นผูตาชีวิตเหลบบนี้เป็นมาสถานจึงเหนือกลางเกิดจเจี๋จ็บตายมันไม่เป็นอะไรมันผ่านมาหมดแล้วผ่านหมดผ่านให้เห็นหมดจริงที่มาเกิดเคลื่อนกากก็จะควบไม่เที่ยงก็เห็น <c oughs> เรเป็นทุกข์ก็เห็นเห็นความไม่เที่ยงเกิดกับลูกเห็นความไม่เที่ยงเกิดกับนามใจายเห็นความเป็นทุกข์เกิดกับลูกเห็นความเป็นทุกข์เกิดกับนามเห็นความไม่ใช่ตัวตนเกิดกับลูกกับนามมันน่าจะเลยประโยชน์อันนี้เราเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นทุกข์เป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาบางทีถ้าเราเห็นใแน ย, ยบคลายที่ดีความหมาเที่ยงเป็นมรรคผลนิพพานได้ความเป็นทุกเป็นพระนิพพานได้เมืในใน่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารนั่งปวงหม่เที่ยงเมื่าอนั่นย่อมหน่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน พระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าพระอาาริหันต์ทั้งหลายเห็นแบบนี้เมื่อใดบุคคลเหตุด้วยปัญญาสังขารนักเกิดเป็นทุกข์มนนันยอดใดๆได้สิทธิเป็นทุกข์ที่ทโลง่นันเหลเป็นทางแห่งพระนิพาลอันเป็นทั้งหมดจุดไปสู่ที่นะั่ลงตัวความไม่เที่ยงมันชะเป็นทุกข์เลยรู้แลว้วบอกคือมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นที่ทุกข์ที่นาม แม่ความมาเที่ยงมาเป็นตุกแต่เราก็าม่เที่ยงมาเป็นความเสียใจลองให้เศร้าโศกบองท่านที่มันไม่ง้ออะไรความ่าเที่ยงมีอยู่ทุกเวลาต่รูปนี้ก็มีความมาเที่ยงนั่งอยู่นี่นก็เจบไปเรื่อยอันนี้ก็เจบไปแล้วความเจ๋เท่านำเข้ามายั่งยืนยอมรอเที่ยงในสิ่งทั้งมวลไป มันเป็นอย่ี้ลูกเนี่ยนามเนี่ยลูกทำนามทำลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งชิ้นนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งชิ้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่ในเป็นทุกข์สิ่งน้เป็นทุกข์สินั้นมาใช่ตัวตนสิ่ในไม่แช่ตัวตนไม่ความไปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอย่าไปยึดเอาว่าตัวตนเป็นทุกข์เป็นสก เอากับรูปกับภาพนี่ไม่ได้เป็นสมมุติบัญญัติว่าน้ำเหลวให้เห็นหลือนตามความเท็ความจริงเห็นเหมือนเพราะสปฏิบัติคือเห็นไม่เป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าเป็นละมันพ้นในยายเห็นนมันไม่ได้เป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์ เราก็อิตฉาไปอย่างนี้เห็นทุกข์คือไม่ต้อนรับไม่ให้จะอาศัยไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าถ้ามีสติเห็นทุกข์คือความรู้สึกตัวเห็นไม่เป็นเหลือศูนย์เห็นทุกอย่างสิ่งที่มเกิดกับกายกัใจเราเห็นหมดจบได้จริงๆงเนะ จะได้บอกอาจจะได้บอกแปรงสักวันหนึง่งชั่วโมงหนึง่งเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนชุกเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นรูปเป็นหมา <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ก็โดดกระโดดได้นะถ้าเห็นอย่างนี้อึนขึ้นมาอ๋อตั้งแต่นี้ต่อไปเพราะว่าสุขว่าทุกเกิดกับปากับจะยัไม่มีอีกแล้ว สักวันหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องมีความรูร้สึกอย่างนี้แน่นอนต่อไปนี้คำว่าฉุกวฉิทุกเกิดกับกายกับใจจะไม่บีอีกแล้วว่าอย่างนี้หัวใจเลือดดึกเป็นมโนธรรมขึ้นมาซอมหากได้าจากตวทุกคนถือ ว, ว่าหลุดท้นหลุดพ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรกับกายกับใจ อะไรเท็มเกิดกับการใจไม่เป็นอะไรกับอะไรมีแต่เห็นมีแต่รู้สุดยอดผมกุดทำจุดหมปลายทางความตายไม่มีค่าอะไรสําหรับผูกผู้แบบในคนเช่นนี้เพราะมันจุดหมงายปลายทางมันไม่เป็นอะไรกับอะไ ร, รอยู่แล้วเห็นแล้วอนทุกข์ก็เรื่องเก่าไม่ใช่แบบความแปรความเจ็บความตายอันเก่า ม่ใช่อใหม่แล้วเขาเป็นไม่ได้เป็นไปกับมันไม่ได้เก็บผู้กะคมเจ็บไม่ได้ตายเพราะความตายไม่มีตัวมีตัวไปเจ็บไปตายเมื่อพัฒนาปฏิบัติมันก็มันก็เป็นมักเป็นผลจริงๆทําไว้ไหนเนี่ยปฏิบัติตามทําไว้ไหนเป็นมักเป็นผลศาสนานี่มีศาสนาพระธรรมไว้ไว้ไหนนะ ผู้เชาบอกแค่นี้จนะงปฏิบัติตามทำไว้ไหนนั่นเถิดจงปฏิบัติตามทำไว้ไหนให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยปฏิบัติเถิปฏิบัติตามทำคือความไม่หลงความหลงไม่เป็นธรรมปฏิบัติตามทำความไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นธรรมนี่ตามธรรมนี่ เมื่อเปลี่ยนเลยๆเป็นที่ทื่นทุกนั่นเถอดปฏิบัติเท่านี้ภายในแปดเดือนเนี่ยพระพุทธศาสนาขั้งแรกปฐมพระโพธิการสอนเรื่องเดี๋ยนี้เท่านั้นไม่มีหนังสือใครมาปวด ก, ก็บอกเท่านี้ปฏิบัติตามทาไว้ไหนนั่นเถอดปฏิบัติตามทำหไหนเป็นที่ทิ้นทุกเถิดปฏิบัติเนั้น ไปปิบัติแเดือน9ก้เดือนมีผลหานเกิดขึ้น2 2 5 0รลูกแต่เดือนมันเป็นเดือน8ถึงว่าเป็นเดือน3เนี่ยนปดาเดือนเนี่ยมีผลหานเกิดขึ้น1250รลูกปฏิบัติแบบนี้เอาไหมเพกเราปธิบัติตามธรรมความหลงไม่เป็นธรรมมีไหม รวมรู้จึกตัวเป็นธรรมปฏิบัติตามม้ยเพราะจะจบดอยเป็นเป็นที่จะดีไปแค่ชีวิตของเรานะไม่ใช่จำไม่ใช่พูดให้จำเอาไปทำก็สมควรใจเวลา